ถ้าเราถือว่าเป็นกา ร, การบ้านเป็นโจทย์ตกเป็นจำลอยของปัญหาเราก็ต้องแก้ไขพิภากษาตัวเราให้พ้นภยัยเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลา ย, ลายก็เป็นปุถุชนมาก่อน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 ภาว่าที่มันหลงเกิดจากการกระทําของตัวเราโดยแท้ถ้าหลงทำไมยังทําได้ไม่หลงทไไํา ม, ไ, ไ, มไม่ได้หรือทำไมจึงทุงกข์ยังทําได้ไม่ทุกข์ไม่ได้หรือทำไมจึงต้องโกรธไม่โกรธไปได้หรือเราก็ต้อง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 ถ้าสติธรรมดาสัตว์ฉาดมันก็มีสติมาหมูแมวมีสติกันทั้งนั้นสติธรรมดาบางทีมันมันไม่คุ้มนักสาไม่ลอดจะมีสติปฐานกาหนดเห็นกายสวพปะกายเข้าไป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 ตรงกันปลายปีเข้มท่วงหนึ่งตอนกลางปีวันที่ยีษษ่สิบพฤษภาถึงวันที่สามสิบนิตยดาสี่สิบวันท <c oughs> ีนี้ก็ทำกันเป็นประจำหาโอกาสให้ผู้ที่จะแบ่งหาด้วยพิจูดว่า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 แล้วก็มีอยู่อ่ะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเหนือการเกิดเจ็บตายคือทําอย่างไรนี่สําคัญที่สุดศาสนานี้ไม่ใช่จะมาเพียงกราบไหว้ทําพิธีทําบุญทาทานศาสนานี้คือเหนือการเกิดจเจ็บตายจึงจะเรียกว่าพระพุทธเจ้า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 มันไปแบบนี้นะเดินไปอย่างนี้เท้ๆนะไม่ใช่ไปคุดคิดออกไม่ใช่นะทําเป็นหลงทําเป็นหวายมันทุกข์ทำเป็นหนมายมันโกรธทาเป็นหวายต้องหัดถ้าไม่หัดทําให้เป็นนะเมื่อวันมันตายเห็นมันจะตายไม่เป็นผู้ตายพุทจากความตาย เราไม่ได้อยู่ความแก่ความเจลี ย, คยคดคนตายเราอยู่อีกอันหน่งไม่เอากายเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์มันอาใชา้ก า, ายใช้ใจนีม่มาหัดจนมันเป็นศินลปะเหมือนจีลาเป็นศินลปะของชีวิตก็มีมันหัดหัดได้เป็นจัดปร ะ, สะเสริฐเริ่มต้นจาก มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงก้าวแรกมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกถ้าม <tour. S 2> ah ah ันมีนะต้องมีเจอเรื่องนี้แน่นอนมีสภาวะที่รู้มีสภาวะที่หลงโชให้เห็นเลยทีเดียวเหมือนเรามีตาเราดูก็เห็นสิ่งที่ผ่านไปตาติเป็นดวงตาภายใน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 ถ้าเห็นมันหลงไม่เป็นพระหลงจืดนะ้รสอันนี้จืดจนะัาทุ ก, ทกเห็นมันทุกไม่เป็นพูะทุกลสของทุกนี่จืดจนะ้โกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นพระโกรธจืดจ้าเอติจื ด, นะจดไปเลยมันชิ่นพพชิ้นชาติไม่มีค่าถ้าเราห้าแะแรกก็อาจจะชวนกระฉะสักหน่อย เปลนหลงเป็นโูน่ไม่หนักไม่ยากเหมือนไลยย่โยงง่ายง่ายยิ้มยิมก็ได้อมยิ้มไว้ก็ได้หัวโล้ควมหลงหัวโล้ควมทุกข์ได้หัวโล้ค ว, ว, ม, ว, ว, ว, ม, ว, ว, วมโกรธได้ถ้าเราไม่ฝึกก็ไมีถต่หน้าบูดหน้าเบืงไปเวลามาโกรธไปส่องกระจกดูเป็นอย่างไร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 ก็จะง่ายถ้าไม่ผ่านรอบที่หนึง่งรอบที่สองก็ผ่านได้ต้องหัดให้ได้เามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงยากเะหน่อยนะตอ่อจะง่ายที่จะไม่หลงทำมาใหม่ง่ายที่จะหลงด้วยอย่าหมดหวังทำไปทาไปง่ายที่จะไม่หลง